หลวงพ่อครับอะไงคือเหมือนไม่เหมือนว่ามันบอกไม่ถูกหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําเพิ่มไหมครับเมื่อกี้ออมันเพิ่มการเจริญปัญญาขึ้นนิดนึงใจมันมีสติขึ้นมาแล้ะมีสติขึ้นมาเรื่อยๆแต่ใจมันยังไม่ค่อยยอมเดินปัญญามันมีสติมันไปรู้ตัวเฉยๆ ที่หลวงพ่อถึงพูดบอกว่าสังเกตไหมสภาวะแต่ละตัวเนี่ยไม่มีตัวเรารู้สึกไหมความโลภมันก็ไม่ใช่ตัวเราความโกรธไม่ใช่ตัวเราใจลอยไปนะตัวที่ใจลอยไปก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะรู้สึกไหมเป็นแค่ตัวอะไรตัวหนึงหมายถึงว่าให้เพิ่มหมายถึงไปคิดตามมันเหรอฮะหรือว่าไม่ไม่ใช่คิดห ร, หรือไปตั้งใจมองดูมองในมุมนี้บ้าง เปลี่ยนปรับมุมมองต้องมีมุมในการไปมองให้เห็นใจรักเนื้อใจใจมันไปรู้ตัวลแล้วเฉยๆอ๋อพ่อเคยได้ยินหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวเราไม่ต้องไปช่วยมันคิดแบบเดี๋ยวเขาเราไมู่ม้ของเยอะอะขอก็คือใสใ<น>่มุมมองเพิ่มลงไปนิดนึี่หลวงพ่อพูดเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้จิตมันเริ่มไปมองใจรักเป็นวิธีช่วยเท่านั้นเลยไม่ใช่ให้ไปคิดเยอะๆนะ แต่ว่าใจเราพอรู้สึกตัวแล้วไปรู้สึกตัวแล้วเฉยเฉยอันนี้รู้สึกตัวได้แล้วแล้วก็คอยรู้กายรู้ใจลงเป็นใจรักไปเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็เคยเห็นใจรักแล้วแล้วก็วมันช่วงนี้มันมาหายไปใช่ไมครัเออมันเฉยไปมันเฉยมันเฉยมันจะเอาแต่รู้ตัวเฉยเฉยมันจะเอาสบายอืมแต่อันนี้หมายถึงว่าจิตเขาอย่างเขาเองใช่ไหมยรั หลวงพ่อเลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้จิตมันทํางานเดี๋ยวจิตมันติดเฉยไปไม่ได้มีปัญหานะแต่พเพื่อจะได้ขยบไปอีกอ้ยากุญแจหลวงพ่อเมื่อเมื่อวานตอนเช้าค่ะไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจดูจิตแล้วก็พอดูดูไปแล้วมันแบบหายไปเลยเจ้ค่ะเหมือนไม่มีอะไรเลย สักพักก็มาเขากลับมาเองที่กายพอกลับมาดูที่กายก็ไม่มีอีกแล้วค่ะก็ไม่แบบอยู่แบบสบายอยู่นานมากเจ้าค่ะไม่มีอะไรเป็นใหนคือแบบจิตเหมือนหายไปเลยแล้วก็ แ, วแบบยังรู้ตัวอยู่ไหมยังรู้ค่ะยังรู้แต่แบบ มันแบบสบายสบายเบาๆเจ้าค่ะแล้วมันมีความสุขอยู่ตรงนั้นเจ้าค่ะก็อยู่ไปเรื่อยๆนานๆเจ้าค่ะแล้วก็พอมาเขาก็กลับมาเองที่กายก็ดูกายที่เคลื่อนอยู่แล้วก็ดูๆแล้วก็กายไม่มีอีกก็ประมาณสักสามชั่วโมงะเจ้าค่ะสามสามโมงเช้าเราดูลงไปเรื่อยๆกายก็ไม่มีนะจิตก็ไม่มีคือมันมีอยู่แต่มันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรเจ้าค่ะมันมีแต่ไม่มีเจ้าค่ะ มันเหมือนไม่ยึดอะไรเลยแต่มันสบายอยู่ตรงนั้นและเบาบางดีนะด<า>ีมันมีเหมือนกับไม่มีและยังไม่มีมีอีกนะ <c oughs> หนุกโอมันเขียนนะมีไม่มีนี้เป็นธรรมที่ล้าลึกมีอยู่แต่ไม่มีตัวมีตนอะไรนะดีละเป็นยังชีวิตไม่ขัดทุนหรอะวันนี้ฟุ้งซานมากเลยค่ะอืม จริงๆรงเห็นด้วยไปทําอะไรมาก็อาจจะกังวลหลายเรื ok ่องค่ะหลวงพ่อกังวลเรื่องลูกเขาต้องไปเช้ากังวลเรื่องวันนี้นัดเพื่อนหลายคนเงี้ยค่ะแล้าอย่าไปผ่วงคนอื่นเยอะนะไอ้พ่วงลูกมันมีหน้าที่เพื่อนๆกับปล่อยมาไม่มาก็ช่างนะด้ส่งมาข้างหน้าหน่อย หลงโวอยู่สองคนก็ <G ül> พอมานั่งอะคะ่ะก็จะเห็นบางทีก็รู้สึกตัวขึ้นมาเองบางทีก็แบบลงไปจงใจรู้อะคะ่ะก็สลับกันไปนะค่ะดีแล้วใจมันเห็นอย่างนั้นได้ดีแล้วใจมันตื่นเต็มที่อีกนี่เคยมาไหมน้องชายคะ่ะไม่เคยมาสอนมาบ้างป่าก็ <G ül> ให้ซีดีฟังได้ฟังไหมเห็นกิเลสไหมแต่ละวัน เห็นบ้างครับคือตอนนี้อยากจะทำเริ่มต้นจากศีลก่อนนะครับหลวงพ่อย่างศีลข้อหนึ่อย่างนี้ยครับในเรื่องของปานาเนี่ยคือปกติยังยกตัวอย่างยุงอย่างนี้ครับมากัดเราเราโอเคเราปัดแต่ยังไปกัดลูกกัดเด็กอย่างนี้ยฮะซึ่งเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นไข้เลดออกอย่างเนี้ยอมู๊นครอบไว้สิแต่ปกติก็คือมีมู๊นลวดอยู่แล้วแต่มันยังหลุดเข้ามาเราก็พยายามกันไหมชั้นหนึ่งแล้วไหฮะแล้วตั้งจับคนไปก็ต้องจับ อย่างเราเจตนาจะจับนะนี่พลาดพลั้งมันแบนไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไม่บาปเท่าไหร่เจตนาให้แบนนี่บาปนะ <c oughs> ยุงหนะ้ายุงยุงตัวเมียนะที่มากัดนะ่ะทำร้ายผู้หญิงได้ลงคอแล้วโทษของมันนะโทษของยุงตัวนั้นโทษฐานลักทรัพย์ ศาสตินปะทหารเลยเหรออย่างนี้ป้าบุญจิ้นเห็นแล้วคงไม่ยอมนะเอาไม้ส่งกันบ้าน<อ>ไปอยู่ญี่ปุ่นมาไปดูกายมาดูเหมือนมันจะเบาลงครับาหายไปไหนมาไปอยู่ประเทศอะไรมาญี่ปุ่นครับ็ น, เนคเ อ, อ้ผอมลงหน่อยดีกินน้อยลง ก็ดูกายมันมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่เหมือนดูจิตครับดูจิตจะหนักอึ้งแต่ดูกายเบาดูกายไปนั่นแหละมันถูกกระจิริตรเราแล้วครับแล้วอันนี้มันใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับจริงๆเราเป็นพวกตัณหาจริตครับเฮ้ยไม่ใช่บ้ากามนะหัวเราะตัณหาจริตหมายถึงมันรักของสวยของงามอย่างเงี้ยมันรักความสุขความสบาย บาการามนั้นมันรุนแรงโคละานกันแค่เกือบเกือบไม่ถึงอ่ะเกือบเกือบดีแล้วดีแล้วอ้าจู้อาจู้ก็เพอเพอกับฟุงซ่านครับพระอาจารย์ไม่ดีนะไมดีแล้วภาวนาได้ดีไปอยู่ญี่ปุ่นสัปปะยะลวมังการเจนอ๋ออ่ะ ก็เริ่มเห็นแล้วครับว่าจิตมันชอบไปติดความนิ่งครับดีถ้าไม่รู้ทันก็จะติดไปเรื่อยๆนะถ้ารู้ทันมันก็ไม่เข้าไปติดแต่อย่าไปเกลียดมันนะมันไปอยู่นิ่งๆอย่าไปเกลียดมันไม่ชอบอย่าอย่าไปพยายามละมันเออไม่ต้องล่าให้รู้ทันมันให้รู้ทุกอย่างที่จิตไปรู้นั่นแหละแต่รู้แล้วไม่แทรกแซงไม่ดัดแปลงไม่แก้ไข ร, รู้ไปซื่อๆคนลานกับของพี่ชัยนะ ม่ใช่มันรู้แล้วมันซื่ อ, อเกินไปนั่นต้องรู้เจ้าเลนนิดหน่อยคือเวลาเราภาวนาบางช่วงสติล้าหน้าไปจเจริญสติหนักมากไปเครียดเครียดมีสมาธิล้าหน้าไปก็ซึมเศร้าขี้เกียจขี้คลานปัญญาล้าหน้าไปฟุ้งซ่านล้วก็ค่อยสังเกตใจเราขณะนี้ชักเฉยไปแล้วใช้ขี้เกียจ ด, ดูแะก็ฝึกซ้อม ให้มีสติบ่อยๆนี้สติเกิดแล้วก็ตั้งใจดูมากไปกล้าแข็งเกินไปมองอะไรนี่คมกลิบไปหมดเลยนี้สติล้ำหน้าไปนิดนึงเกินในตำรา บ, บอกว่าสติยิ่งมากยิ่งดีแต่นี้คุ้นล้านกันสติที่กล้าแข็งเกินไปในขณะทำวิปัสนามีจะเป็นเขาเรียก อ, อะไรวิปัสสนูตัวหนึ่งสติที่กล้าเกินไปสมาธิมากไปก็ซึม ขี้เกียจขี้คลานมีแต่ความสุขสมาธิน้อยไปเข้าใจก็หาความสุขไม่ได้เลยแห้งแรงเนี่เราค่อยสังเกตตัวเองเหมเราหัดขับรถยนต์อ่ะบางเวลาก็เหยียบเบรกบางเวลาก็เหยียบคันเร่งเห็นไ้มขับรถเหยียบแต่คันเร่งก็ตายเบรกอย่างเดียวก็อย่าไปขับมันมันไม่ไปไหนอ่ะเแล้วก็เวลามีสมาธิเล้รู้สึกจะนิ่งนิ่งเนี่ยค่ะแต่ว่าจะ สติแล้วเพลินคะสติเพลินไปต้องฝึกซ้อมนะสติถึงจะเกิดฝึกซ้อมทุกวันพุโทโธพุโทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปอะไรก็ได้แต่ว่าพอใจเราหนีแวบไปที่อื่นให้เรารู้ทันเช่นเราดูท้องพองยุบอยู่ใจแอบไปคิดให้รู้ทันให้รู้ทันใจไปเรื่อยใจขยับขยื่นเคลื่อนไหวรู้ไปเรื่อยเราไปสติจะัยใจขยับตัวนิดนึงก็เห็นนะว เคยมาหาพระอาจารย์ครั้งเดียวค่ะแล้วก็ได้กลับไปก็อาจารย์บอให้ดูจิตก็เวลาอย่างตอนรีบเร่งก็ดูว่ามีความรู้สึกมันมันบีบคั้นเวลาโกรธก็มีความรู้สึกว่ามันเขยา่าแล้วแล้วก็ตอนที่ช่วงนั่งสมาธิแล้วก็มีความรู้สึกสุขก็มาดูมันก็รู้สึกเบิกบานะค่ะอดีนะดูเรื่อยๆดูบ่อยๆ อย่างที่เจ็ดดูไปได้เรื่อยเราเวลาดูก็คือแค่ดูตามมันไปเฉยเฉยแค่ตามดูไปเรื่อยเลยเพื่อเห็นด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นเลยรู้สึกไหมทุกอย่างมาแล้วไปใช่ค่ะอะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวกุศลกอกุศลก็ของชั่วคราวนี่ดูลงไปอย่างนี้ยต่อไปปัญญามันเกิดนะมันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวใจจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นพอความสุขมานะ ก็ไม่หลงระเริงมันรู้ว่าความสุขชั่วคราวความทุกขมาก็ไม่คลุ้มใจนะมันรู้ว่าความทุกข์ก็ชั่วคราวเราก็มีชีวิตแบบชั่วคราวไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ก็ตอนช่วงที่อย่างเช่วงรีบเร่งองเงี้ยเราไปก็สุขเออมันรีบเร่งไปนะเราก็ค่อยๆให้มันช้าลงก็คืออันนี้ถืเราดูที่ใจเราเรารีบเร่งเราอยากให้งานเสร็จเร็วๆอยากทําอะไรเร็วๆความอยากตัวนั้นไม่ได้ทําให้อะไรเร็วขึ้นเลย ทําให้ใหใจิตใจเราลําบากเปล่าๆลาบากฟรีอย่างใจเราร้อนรนขึ้นมานะอยากไปให้ถึงเร็วๆมันก็ไดวที่สุดได้แค่นั้นนะคะคนเราไม่ค่อยฉลาดกันแล้วเราทําร้ายตัวเองเรื่อยๆมีความอยากขึ้นมาความอยากของเราเป็นความอยากลมๆแรงๆเยอะนะวันหนึ่งวันหนึ่งอยากที่เลื่อนลอยอะ่ะอยากมีความสุขตลอดเวลา ความอยากนี่ลมๆแรงๆนะมันไม่มีหรอกความสุขตลอดเวลาไม่อยากให้ใจมีกิเลสเลยความอยากลมๆแรงๆแลใจยังมีเชื้อของกิเลสมันก็มีกิ เ, เลสสิอยากจะสุขถาวร อ, อยากดีถาวร อ, อยากสงบถาวรสงบถาวรไม่มีได้คาว่าถาวรไม่มีในโลกหรอกมีแต่ชั่วคราวกระทั่งชีวิตยังของชั่วคราว แะเอาอะไรจริงจังนักหนาค่อยดูไปแล้วชีวิตจะค่อยมีสันติสุขมีความสงบคนน่าสงสารนะในโลกอยากมีความสุขทุกคนเลยแต่ยิ่งดิ้นเน่ยดินรนหาความสุขยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์นะ่งทุกข์ขึ้นมาก็ยิ่งดิ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเห็นคนอื่นก็มีอะไรอยากมีอย่างเขานะหางานทำทาไปมีของนี้ขึ้นมาเดี๋ยวอยากอีกแล้วะดิ้นไปเรื่อยเลย ดิ้นไปดิ้นมาไม่มีเงินจะใช้ค่าวบัตรเครดิตแล้วส่งมาทวงรุ่มใจนะไปกู้เขาา้เขามาใช้นี่อีกกู้เข้ามาใช้นี่อีกเนาะไปไปมามาใช้ได้แต่ดอกเบีย้ยไปมาดอกเบีย้ยก็ใช้ไม่ทันถูกเขาอุ้มออกไปก็มีพระอาจารย์คะคราวที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าจิตหนูแนบสนิทเกินไปตอนนี้ยังแนบอยู่อีกหรือเปล่าอะไรนะว่าอะไรนะคราวที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าจิตมันแนบสนิทเกินไป แล้วคราวนี้ยังแนบอยู่อีกหรือเปล่าคะไม่แนบมากเท่าไหร่ยังมีนิดหน่อยยังมีตัวหนึ่งที่จงใจไปดูมันน่ะรู้สึกไหมมันทำให้เกิดความนิ่งนิ่งคงที่ขึ้นอันนมีความนิ่งนิ่งอยู่อันนรู้สึกไหมมันไม่ได้เคลื่อนไหวได้ทั้งหมดอะ่ะมันมีบางส่วนนิ่งอยู่ตรงนั้นเราไปกดไว้นิดหนึ่งแต่นี้ต้องทำยังไงคะให้รู้ทันให้รู้ทันแล้วไม่ต้องกิจคิดว่าจะแก้ยังไง อย่าปักให้แม่นนะรู้รูปเดียวเลยคนราอนกับของพี่ชัยนะธรรมะพอเรียนพร้อมกันแล้วมันยุ่งอย่างเงี้ยคนหนึ่งบอกรู้รูปเดียวเลยคนหนึ่งบอกเพิ่มมุมมองตรงนี้เข้าไปหน่อยคนหนึ่งก็บอกว่าเพิ่มสมาธินิดนึงคนหนึ่งบอกอย่าไปตะลุมบอลกับมันรู้ห่างๆไม่ต้องรู้รายละเลอียดของปรากฏการณ์ทั้งหลายไม่ต้องเก็บทุกปรากฏการณ์ให้รู้อยู่ที่ใจพอใจไม่พอใจรู้อยู่แค่นี้ก็พอละ ต้อมรู้แค่นั้นก็พอละต้องไปดิ้นรนรู้เยอะแยะป้ออันนี้มีหลายป้อก็นึกคาพูดไม่ค่อยออกครับตอนที่จะส่งกันบ้านพ่อมันจะพอจะนึกถึงการส่งกันบ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นทุกทุกทีเลยเออจนะ้าเป็นทุกข์รู้ว่าเป็นทุกข์ก็ใช้ได้ละดังนั้นส่งไปเลยส่งผ่านไปแต่หลวงพ่อครั บ, รบเดี๋ยวถามนิดนึงครับตอนนี้นึกออกคฮะ วันที่ไปทําบุญตอนปีใหม่กับผ้าจานสงบที่ราชบุรี hmm. รู้สึกว่าตอนขับรถกลับบ้านเนี่ยตัวเองจะมีความสุขเกิดขึ้น hmm. แต่ว่าขณะที่ความสุขเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีกองทุกข์อยู่ตรงเนี้ย hmm. ซ้อนอยู่ <Yeah. S 2> ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองก็ว่าขณะสุขยังมีกองทุกข์ซ้อนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราผมเนี่ยรู้สึกว่าเฉยในการที่จะทาบุญมากขึ้นเวลาจะมี เพื่อนฝูงพาไปกราบครูบาอาจารย์เนี่ยผมจะรู้สึกเฉยๆมากขึ้นครับแล้พ่อก็เฉยๆเนาะแต่ก่อนนะเห็นไปอยู่ตามวัดนะ่ะเห็นเช้าๆนะเขาไปใส่บาตรกันน ะ, ะวันนึงรู้ขึ้นไปใส่กับเขาบ้างพระท่านครูบาอาจารย์มามองอมเอ้าปพระพุท็เจ้าเขาด้วยเหรอเข้าใจมันเฉยๆนะคือเราเคย เจอบุญที่ใหญ่แล้วพอเจอบุญเล็กๆน้อยๆอยแล้วมันจืดว่าท่านถามอ้าวประโมทก็มาใส่บายกัเข้าด้วยเหรอว่ตอบท่านไปซื่อๆนะผมใส่เป็นกิริยาไปอย่างนั้น่ะโอ้ท่านบอกไม่มันต้องอย่างนี้สิทำไมใส่เป็นกิริยาก็สมควรใส่เราก็ใส่นะ เ, สเกื้อกูลกับพระอะไรเงี้ยพระไม่ได้หูภาบกินเอง พครับทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะเฝ้าดูประคองเขาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยดีที่รู้ทันนะที่ผ่านมาประคองเยอะเลยคแล้วก็ค่อยน้อยลงน้อยลงเพราะไปรู้ทันมันเข้าแล้วบางขณะบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่าอาการสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยผมแปลกว่าใหม่ไม่ออกแล้วไม่ต้องแปลนะนเกิดแล้วบางทีมันก็ค่อยละลายไปแค่เห็นว่าสภาวะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปแค่นี้พอแล้วไม่ต้องแปลแต่ทําไมให้เหนื่อยอ่ะครับ แปลแล้วเป็นภาระนะแล้วเรื่องอะไรต้องไปแปลแค่เห็นว่าอะไรเกิดอันนั้นดับเลยครับแค่นั้นพอแล้วหลวงพ่อครับแล้วตอนที่บางทีเนี่ยสภาวะที่เป็นอกุศลมันก็พลิกเป็นกุศลได้ได้บางครั้งจิตที่เป็นกุศลก็พลิกเป็นอกุศลได้ไดไดมันเป็นต้องพลิกไปพลิกมามพลิ ก, กไปพลิกมาถูกต้งองอกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้กุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้ อย่างเราเห็นคนน่าสงสารเนี่ยมีความกรุณาสงสารนะสงสารไปสงสารไปเศร้าใจไปเลยความกรุณาพลิกเป็นโทสะจิตเศร้าไปเลยหรือเราเรียกลูกเราลูกเราไปตักฝนเรากลัวลูกเราเป็นหวัดจะเดียให้เข้าบ้านลูกไม่ยอมเข้าบ้านนะจับมาตีก่อนนะลูกไม่ทันป่วยเป็นหวัดแล้วก็เจ็บไข้นะโดนแม่ตีไปก่อนละกรุณามันพลิกเป็นโทสะ ถ้เมตตามันก็พลิกเป็นราคะง่ายเะมีพระดังองค์หนึ่งเจริญเมตตามากนะสติมันตามไม่ทันสมาธิเกิดจากเมตตาล้วนๆเลยมีเคลิ้มอยู่อย่างนั้นข้างในเคลิ้มไปเรื่อยๆไปไหนทีทีคนแวดล้อมเป็นพันเป็นหมื่นไปไหนทีเจริญเมตตามากเลยจิตพลิกเป็นราคะสู้ไม่ทันหรอกตอนนั้นไปเผาศพลงพระชา หลวงพ่ อ, อยังไม่ได้บวชนะท่านเดินลงมาจากเมนที่เป็นเจดีย์โอ้โหมีพระแวด้อมตั้งหลายร้อยนะลงมาสวยงามมากเลยหลวงพ่อไปกับอาจารย์สุจินยืนๆอาจารย์สุจินถามว่าอง์นี้เป็นไงบอะองค์นี้ติดอยู่กับความเมตตาที่ตัวเองสร้างขึ้นท่านหันมากระซิปราชิกแล้วงั้นเนี่ยจิตที่เป็นกุศลนะพลิกจากกุศลง่าย ถ้าขาดสติตัวเดียวแหละเระน้สตินี้เป็นเรื่องจำเป็นค่อยรู้ไปบอกว่าส่งการบ้านแลกเครียดส่งซะยาวเลยอธิตย์นี้ก็รู้สึกซึมน้อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วหน่อยะคะอ่ะก็พอดูแล้วพอจิตเป็นกลางไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกมันว่างไปเลยะคะ่ะแต่ความว่างมันก็จะต่างจากว่างจากแต่ก่อนไนั่นมันว่างสมถะค่ะ อันนี้มันเป็นว่างขั้นระหว่างความวุ่นเดี๋ยวก็ว<ก>ุ่นใหม่สักพักก็ไปฟุ้งซ่านต่อ<ม>ก็ตามรู้ไปเข้าใจเราไม่เข้าไปนอนแช่ไหนน ะ, ะแต่เดิมเราเข้าไปนอนแช่ในความว่างก็รู้สึกว่าชีวิตมันขาดช่วงแล้วก็<ม>ขานห้าบางครั้งมันจะกระจายนั่นแหละก็ภาวนาไปนะชีวิตขาดขา ด, ขาดวิ่นวิ่งอย่างนั้นแหละพอกระจายแล้วมันก็รวบเข้ามาเป็นเราเป็นบางครั้งเอ่านะเร <c oughs> รวบเข้ามานะก็ เ, เรียกมีคณะสัญญา พอละขังหนอหนูคณะสัญยามองแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันรวมเข้ามาก็มีตัวเราขึ้นมาพอคณะตัวนี้แตกออกไปกระจายขันออกไปการแต่ละขันไม่มีตัวเราก็กระจายแล้วก็รวบเป็นอย่างนี้สลับออย่างนั้นแหละเหมือนในสามก๊กใช่ไหมแผ่นดินจีนเป็นศึกแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขแล้วก็เป็นศึกเดี๋ยวก็มีหลายก๊กแล้วก็รวมเป็นก๊กเดียวเดี๋ยวก็มีหลายก๊กภาวนาก็มีแค่นั้นเองเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็ทุก เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็รวมเข้ามาเดี๋ยวก็กระจายออกไปคือล้วนแต่ของไม่คงที่เราภาวนาจนใจเรายอมรับความจริงทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างเกิดแล้วดับใจก็จะเข้าถึงธรรมะธรรมะก็คือความจริงนั่นแหละถ้าเมื่อไหรใจยอมรับความจริงเรียกใจเข้าถึงธรรมะแต่ใจของเราไม่ยอมรับความจริงในเฉพาะความจริงที่โหดร้ายมากเลยคือตัวเราไม่มีนี่ความจริงที่โหดมากเลยนะตัวเราไม่มี เราคิดว่าตัวเรามีจร <gas a> <aún> ิงๆพอเรามีสติขึ้นมาขันกระจายตัวไปแต่ละขันแต่ละขันแต่ละขันไม่มีตัวเรารูปส่วนรูปเนี่ยเวทนาสุขทุกข์ก็ส่วนเวทนาไปความจำได้หมายรู้ก็ส่วนความจำได้หมายรู้ไปจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะกุศลอกุศลก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ละอย่างแต่ละอย่างจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีแต่เกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวเรา เพอขันกระใจตัวออกไปเรามีสติรู้สภาวะเข้าไปจะเห็นเลยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเป็นความจริงที่โหดมากนะเพราะว่าฝืนความรู้สึกฝุดขีดเลยบางคนพอเห็นตรงนี้นะกลัวไปเลยภาวนาแล้วกลัวมากเลยโอ้ตัวเราหายไปแล้วบงคนรู้สึกเบิงวางเหมือนจะตกลงไปในความว่างแล้วกลัวไม่เหมือนคุณยายอารีว่างแล้วก็รู้ว่าว่างจบอยู่แค่ว่างไม่เป็นไร คนกลัวเว้งวางๆงบางคนเบื่อเบื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเบื่อเพาเห็นแล้วตัวเราเริ่มหายไปแล้วตัวเราไม่มีแล้วไม่รู้จะดิ้นรนหาอะไรต่ออะไรไปทำอะไรไม่รู้จะดิ้นรนหาความสุขไปทำไมไม่รู้จะทำอะไรไปเพื่ออะไรเพราะตัวเราหายไปอันนี้เป็นความรู้สึกกลางๆกลางๆา ง, างทางเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงกลางๆของการปฏิบัต ถัดไปนะั้นก็ให้รู้ให้ดูเข้าไปอย่างความเบื่อเกิดขึ้นนะให้รู้มันไปอีก <c oughs> ความเบื่อเป็นของถูกรู้ถูกดูอีกนะยังไม่ใช่จิตอีกอเนี่ยไปนอนแช่อยู่กับมันทําไมยังไม่ใช่จิตเราไม่ไป น, นอนแช่กับมันนะหลุดออกไปอีกจิตใจเป็นกลางตื่นเบิก บ, บานขึ้นมาเป็นกลางรู้กายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเป็นกลางรู้จิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงด้วยความเป็นกลาง เ, เ, เ, เ, เห็นเลยทั้งกายทั้งจิตไม่มีเราแต่ใจนี่ไม่ทุกร้อนแล้วนะ ไม่กระวนกระวายไม่ตโนกตกใจแล้วใจเป็นกลางเมื่อไรใจเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาขนาดนี้แล้วใจจะค่อยสบายแล้วไม่ปรุงแต่งความสุขผ่านมาก็ไม่ปรุงแต่งว่าทำยังไงจะอยู่นานๆความทุกข์มาไม่ปรุงแต่งว่าทำไงจะหายไปกุศลมาก็ไม่ปรุงว่าทาไงจะอยู่ได้นานๆอกุศลมาก็ไม่ปรุงว่าทาไงจะหายใจไม่ปรุงแต่งเพราะใจไม่ปรุงแต่งใจจะเข้าถึงธรรม ยอมรับความจริงก็คล้อยตามความจริงจิตที่คล้อยตามความจริงของโลกเรียกว่าจิตมีปัญญาในระดับอนุโลมิกยานจิตคล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงเห็นเลยทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปใจนี่ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ทําอะไรเช่นนี้แต่ไม่ปรุงอะไรชนิดเลยนะจิตที่เดินไปถึงจุดที่มีอนุโลมิกยานคล้อยตามความจริงแล้วมันไม่ปรุงอะไรในที่สุดมันก็วาง วางมันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ตัวนี้เรียกโคตรภูยางมีโคตรภูทวนเข้าถึงตัวธาตุรู้นะสิ่งที่ห่อหุ้มธาตุรู้อยู่ถูกแตกทาลายออกไปถูกทาให้ทาลายออกไปจิตเป็นอิสระขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวตัวนี้มรรคนิพพานมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ชั่วแว บ, บเดียวนะสิ่งห่อหุ้มนั้นกลับมาห่อพุ่มใหม่ mm hmm. ห, ห่อหุมอีก ต้งครั้งที่สองครั้งที่สามนะก็ยังกลับมานะจนถึงครั้งที่สียจิตมันหลุดออกไปเลยสิ่งห่อพุ่มก็สลายตัวไปงั้นเราแต่ละคนเราพอกทูนความรู้ผิดความเข้าใจผิดพอกทูนความยึดถือไว้เยอะงั้นภาวนาไม่ต้องใจร้อนนะเวลาหลงผิดนะหลงผิดมาได้ตั้งนานพอเห็นถูกก็จะเห็นถูกนิดๆหน่อยคิดว่าจะพอลนะมันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมนะ ยังเห็นผิดมานับพบนับชาติไม่ทั่วเนี่ยภาวนาไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีนะร่ำร้องหานิพพานแล <c oughs> ้วก็ใจยังสะสมความเห็นผิดไปยังล้างออกไม่หมดนะะาะอาจารย์ก็ถามอีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้พอนั่งฟังอยู่ปุ๊บแล้วมันก็เจ็บมาแป๊บที่ที่จิตเลยอะค่ะ <c oughs> แล้วมันได้สักพักมันก็ตอนนี้ก็เริ่มคลายเล้วสงสัยไหมก็สงสัยเอไปดูว่าสงสัยนั่นแหละได้ถามเอ ให้รู้ทันนะไ ม, มนนมาานไม่ต้องถามเรียนกรรมฐานไม่ต้องถามเยอะหรอกสภาวะอะไรเกิดขึ้นในรูมไปแล้วมันก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูแต่ถ้าไม่รู้เลยนี่มีปัญหาละหรือรู้แล้วมันก็คงที่อยู่งั้นไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูนี่ก็มีปัญหาละก็ค่อยๆสังเกตอะต่อไปไม่มีคําถามอะไรเจ้าคะ่ะมากราบหลวงพ่อเจ้าคะ่ะว่าไงนะหลวงพ่อยังฟังไม่ทันเลยเสร็จแล้ว ม่มีคําถามอะไรเจ้าค่ะอ๋อไม่มีคําถามดีแล้วหลวงพ่อเขไม่ชอบถามนะ <c oughs> ก่อนไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยถามอยู่เรื่องเดียวที่หลวงปู่สอนผมไว้อย่างนั้นผมไปทําแล้วมันเป็นอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดถ้ามันผิดนะให้ช่วยบอกหน่อยถ้ามันถูกแล้วทํายังไงจะดีกว่านี้เรก็แค่รู้นั่นแหละรู้ลูกเดียวั่นก็บอกถูกแล้วอย่าทําอะไรมากกว่านี้นะเมื่อรู้แล้วก็จะไม่ต้องทําอะไร ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าประคองมากไปหน่อยนะคะแล้วก็รู้สึกจงใจจงใจมากไปแต่บางทีถ้าเกิดไปรู้ว่าตรงนั้นมันก็ดีแล้วนะที่ทําอยู่ใจมันค่อยตื่นแล้วแหละใจมันค่อยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วใช้ได้รู้ว่าโกรธแล้วไม่หายโกรธหายไหมไม่หายเจ้าอยากให้หายไหมไม่อยากเจ้เาทำไม่อยากแล้วบ่นทําไม แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่หายสักทีนั่นมมันทำไมมันไม่หายสักทีวะเติมเนี่ ย, นนยบอกไม่โกรธนะใจยังไม่ชอบมันนะยังไม่เป็นกลางจริงนะเออให้รัว ร, รู้ทันนะเออใจคืออที่เขาที่แล้วที่จะนับประมาณหนึ่งนาทีอะค่ะแล้วมันก็ได้หกเจ็ดแปดครั้งใช่ไหมคะแต่คราวนี้กลับไปคือจะก็รู้ว่ามันบังคับอะไรมนไม่ได้อยู่แล้วอะกลับไปมันก็ ลองลสุ่มดูปรากฏว่ามันก็ได้ประมาณสิบสิบอ็ดแต่ว่าวิธีนี้มันก็เวิร์กสาหรับใจมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับถ้ามันพออยู่ในช่วงนั้นมันก็จะเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วก็แล้วพอถ้าออกมาจากช่วงนั้นบางทีมันขาดสติไปเลยไงมันก็เห็นความแตกต่างมากเลยเพราะว่าเวลาขาดสติทีมันก็ไปยาวเหมือนกันเดี๋ยไปซ้อมดูตอบไปเรื่อยๆใช้ได้ดีแล้ว้าทรงกันบ้าน ก็ภาวนามาก็รู้สึกว่าช่วงหลังๆเริ่มเหมือนคล้ายๆกับว่ามันเริ่มรู้ภาษาได้มากขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะเหมือนมันมีอะไรมากระทบโดยที่บางอันก็ไม่เคยไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนมันก็รู้ของมันเองได้แรวมากขึ้นแต่ว่าบางครั้งนานๆไปมันก็เหมือนตึงๆองท้ายทอยครับก็ยังสังเกตไม่ออกว่าไปพยายามเป็นแบบนเกิดจางงจงใจ จงใจดูแล้วเครียดขึ้นมาที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วใจค่อยตื่นขึ้นมาแล้วเผลอไปแล้วเห็นไหมตอนนี้เดินจงกรมก็รู้อิริยบทเออทนี้การรู้วิบวิบนี้ไม่ทราบว่าที่เดินแล้วรู้อยู่นี่ใช้ได้หรือเปล่าจะ ม, มันจงใจรู้เยอะไปนิดนึงนะ เราจงใจรู้เนี่ยใจจะแข็งแข็งขึ้นมาอย่างขนาเนี้รู้สึกไหมใจเราแข็งแข็งอันนั้นเรียกว่าประคองรู้หรือเปล่าใช่ๆชแล้วทีนี้ถ้าเราจะไม่ประคองให้เรารู้<ห>ทันว่าเราประคองแล้วการประคองเองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าเรารู้ทันขณะที่รู้ทันนั้นไม่ได้ประคองขณะที่ประคองไม่รู้ทันทีนีเ้เหมือนกับว่าเวลาเดินเนี่ยเราจะเห็น เห็นอริยบทของการเดินอยู่ตลอดเวลาโยมเดินจงกรมนะกับเดินธรรมดาเนี่ยความรู้สึกจะไม่แตกต่างจะต้องไม่มีความแตกต่าง <Okay. S 2> นี่พวกเราเวลาเริ่มเดินจงกรมพวกเราจะวางฟอร์มเราต้องทำคลึมเ่ยเราต้องทำใจให้คลึมๆไปพอคลึมได้ที่แล้วเราก็ค่อยๆเดินไอันนี้เป็นการบิดเบือนไปหมดละ ฉะนั้นถ้าหากเราจะเดินจงกรมจริงๆก็คือทุกก้าวที่เราเดินในในแต่ละวันเนี่ยทุกก้าวที่เดินถ้าเดินด้วยความรู้สึกตัวก็เรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงต่อไปนี้จะเดินจงกรมเราจะเริ่มจากการวางฟอร์มก่อนให้ดูเป็นนักปฏิบัติร่างกายก็เดินไม่เหมือนปกติแล้วจิตใจของเราก็ถูกประคองให้นิ่งผิดความเป็นจริงกายก็นิ่งๆใจก็จะนิ่งๆ พอหมดเวลาปุ๊บเราก็เลิกเลยเลิกเลยก็จะหลงไปยาวแต่ยังเวลาสมมติเราเดินในชีวิตประจําวันนี่ค่ะบางครั้งก็จะก็จะมารู้สึกตัวเหมือนเหมือนมันเข้าโหมดการเดินได้อไดรอย่างงั้นอะดีถ้าเราอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วเราก็สามารถรู้ตัวไปได้เรื่อยๆนะก็คือเราได้ภาวนาทั้งวันเลยการปฏิบัติจะต้องไม่เว้นวัก ถ้าบอกว่าชั่วโมงนี้ปฏิบัติอีกสองชั่วโมงนี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติเนี่ยชาตินี้เรายังไกลต่อมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตั้งแต่ตื่นจนเราหลับไปเนี่ยคือเวลาปฏิบัติทั้งหมดเลยจะในรูปแบบหรือว่านอกรูปแบบก็เป็นเวลาปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยมีข้อยกเว้นให้เฉพาะตอนเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดเวลาทํางานที่ต้องคิดนันภาวนาไม่ได้หรอกเพราะใจต้องไปคิดเรื่องงานไม่สามารถรู้การู้ใจได้ เวลานอกเหนือจากการทางานที่ต้องคิดนะให้รู้สึกกายให้รู้สึกใจแต่ไม่ได้จงใจรู้สึกนะรู้บ้างเผลอบ้างดีกว่าจงใจรู้สึกแล้วแข็งแข็งไว้ทีนี้จะพยายามมาดูความคิดนะคะก็รู้สึกว่าคือไม่ค่อยเห็นความคิดไม่ต้องไปดูความคิดนะความคิดไม่มีประโยชน์ที่จะดูให้ดูความรู้สึกดีกว่า ความความคิดเป็นเหมือนภาพลวงตาท้านะั้นพอจงใจไปดูก็หายไปหมดเลยไม่มีให้ดูให้ดูความรู้สึกเช่นเราคิดถึงคนนี้ขึ้นมาเราเป็นห่วงเราคิดถึงลูกหลานเราแล้ว เ, เกิดเป็นห่วงให้รู้ว่าใจเป็นห่วงเราคิดถึงคนนี้เราเกลียดให้รู้ว่าเกลียดให้ดูที่ความรู้สึกนะของโยมต้องลดความจงใจนิดหนึ่งนะจงใจเยอะไปนิดหนึ่งมันทําให้ใจเราแข็งแข็งทําให้มันไม่โปร่งไม่สบาย ถ้าภาวนาถูกต้องต้องสบายนะต้องสบายจิตใจจะเบาจิตใจจะตื่นจิตใจจะนุ่มนวลถ้าใจเราหนักใจเราแน่นใจเราแข็งใจเราซึมซึมทื่อๆอันนี้เป็นอกุศลจิตเกิดจากโลภะอยากปฏิบัติโลภะอยากปฏิบัตินะั้นพอไปดูตามรู้ตามดูไม่ได้อย่างใจโทสะก็เกิดนะที่โมโหด้วยซ้ําไปแล้วทําไมจิตนี้มันดืนะ้อนาะอ่ะต่อไปเชิญ ตอนนี้รู้ว่าตื่นเต้นค่ะเออใช่ได้ตื่นเต้นแล้วก็ช่วงนี้ก็เดินจงกรมทุกวันนะคะก็พยายามฐานอยู่ที่เท้ากระทบแล้วก็ความคิดจรเข้ามาก็จะก็จะเห็นนะคะกะ็เริ่มรู้สึกว่ารู้ภาษาคืออย่างลมกระทบก็รู้รู้มันมีเสียงก็รู้แล้วก็กลับมาอยู่ที่ฐานที่เท้ากระทบเหมือนเดิม คือการที่เราจงใจตั้งฐานไว้เนี่ยนะมันง่ายมันร่อแหลมหรือมันเสี่ยงต่อการไปติดสมถะ <S <S <S เพราะการที่เราน้อมจิตให้ไปอยู่ในจุดเดียวหรือในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเป็นหลักของสมถะเระะั้นบางทีเดินไปเลยเรากำหนดแนบอยู่ที่เท้านะรู้ขัดสนไปเรื่อยจิตก็นิ่งขึ้นมาบางทีเกิดมีปิติมีความสุขอะไรเงี้ย อนนั้นถ้าเกิดมีอย่างนั้นขึ้นมาก็แสดงให้เห็นว่าที่เราทำอยู่ยังไม่ได้ขึ้นวิปัสนาเป็นสมถะเราไปเพ่งอยู่ที่เท้าบางทีเพ่งอยู่ที่การกระทบให้เรารู้สึกนะรู้สึกสบายๆไม่ต้องไปอยู่ที่เท้าก็ได้ทำความรู้สึกเหมือนเราเป็นคนมองนอกนะกำลังเห็นไอ้คนนี้มันเดินอยู่<ะ>แทนที่เราต้องไปอยู่ที่เท้าแล้วใจแข็งขงขึ้นมา รู้สึกไหมยายคนนี้มันพยักหน้าดูมันดูคนอื่นไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่จงใจนะนได้แต่ความนิ่งได้สมถะนะเห็นไหมตอนส่งไม่ใจของเราไปด้วยใจเราหนีไปแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ส่งอย่างนี้นะนอย่างนี้ก็แกล้งอีกนะแกล้งเป็นการบังคับเราจะวเว้นความสุดต่งสองด้าน ด้านหนึ่งเผลอไปลืมตัวเองลืมกายลืมใจเผลอไปเช่นเราเผลอไปคิดขณะที่เราคิดรู้สึกไหมรู้เรื่องที่คิดนะแต่ขณะนั้นลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสสนานี่อีกสุดโตอีกข้างหนึ่งก็คือบังคับกายบังคับใจคุณรู้สึกไหมเวลาเราคิดถึงการปฏิบัตินะ่จริงๆเราพยายามบังคับกายบังคับใจกายของเราก็เราก็เข้าไปบังคับนะ อย่างเราเดินเราก็เปลี่ยนท่าเดินละเดินไม่เหมือนเดิมละบางคนรู้ลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะการหายใจต้องกระทบตรงน้นกระทบตรงนี้มีจุดกระทบมีอะไรขึ้นมามันเป็นการการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจก็ถูกบังคับให้นิ่งแทนที่เราจะปล่อยให้กายให้ใจเขาทำงานไปแล้วเราตามรู้ตามดูเหมือนเราเห็นคนอื่น ถ้าเราตามรู้ตามดูเหมือนเราเห็นคนอื่นนะเห็นกายคนอื่นเห็นใจคนอื่นไม่ใช่ตัวเราดูไปเงี้ยจะค่อยๆถอดถอนเอาความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราได้ลําพังเรากําหนดให้แน่ลงไปในอะารมณ์มันเดียวได้สมถะบางทีก็เกิดมีปีติมีความสุขตัวลอยตัวเบาตัวโคลงตัวหนักๆ ก, ก็มีนะบางคนรู้สึกหนักเป็นภูเขาเลยภาวนาแล้วตัวหนักแข็งๆใหญ่ๆหลวงพ่อก็เคยเป็นนะ เลยบอกเนี่ยจิตได้ศีลนะได้เป็นก้อนศิลาแล้วว่าไงคือตอนนี้ที่เดินจงกรมอยู่ก็จะเห็นอิริยาบทของการเดินก็เหมือนกับว่าเรามองย้อนเข้ามาดูในตัวเราลดลดลดความจงใจนิดนึงลดความจงใจที่จะรู้สึกลดลงนิดนึงเราดูร่างกายนี้เดินเหมือนเราเห็นคนอื่นเดินเท่านั้นเองดูไปสบายๆใจนี้สบายนะ ใจต้องสบายถ้าใจเครียดขึ้นนิดเดียวเนี่ยสแสดงว่าผิดละเพราะจิตที่เครียดเนี่ยเป็นอักุสุรจิตจิตที่รู้สึกตัวเป็นมหากุสุรจิตนะจะเบาๆมีละหูตาจะอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตาจะไม่ถูกกิเลสครอบงำเรียวกว่ากรรมัญญาตาอย่างเราอยากปฏิบัติแล้วเราเดินเนี่ยจิตขณะนั้นถูกความอยากครอบงำจิตอย่างนั้นไม่ควรแก่การงานถูกความอยากครอบงำ จิตต้องมีปาขุนตาคล่องแคล่วจิตซึมทื่อๆอย่างนี้นะทื่ทอๆงี้ไม่มีปาคุนตาละจะไปเป็นอากุศลจิตจแล้วก็ จ, จิตต้องมีอุชุกตาซื่อตรงหมายถึงสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ตามรู้ตามดูไปซื่อๆไม่เข้าไปแทรกแซงอะแล้วอย่างถ้าเราดูเราทำอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราดูดอิริยาบถอย่างนี้เราดูไปเรื่อยๆเราต้อง เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นคือจริงๆแล้วเราต้องฝึกให้สติเกิดขึ้นพอสติตัวจริงเกิดขึ้นเนี่ยบางทีสติระลึกรู้กายบางทีรู้เวทนาบางทีระลึกรู้จิตเราไม่ได้จงใจรู้นะไม่ได้ว่าเออตอนนี้ดูท้องของยกตอนนี้ไปดูยกเท้าย่างเท้าไม่ใช่หรือตอนนี้ไปรู้ผัสสะไม่ใช่ไม่ได้เจตน า, าสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะ เกิดแล้วสติจ ะ, ะระลึกรู้รูปหรือะระลึกรู้นามเราก็เลือกไม่ได้ตรงที่เรามีรูปมีนามอันนี้เป็นแค่จุดตั้งต้นบางคนรู้กายบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิต เ, เนี่ยแค่จุดตั้งต้นเพื่อให้เกิดสติังนั้นที่พอสติเกิดแล้วเนี่ยสติะระลึกรู้กายรู้ใจของเขาเองแล้วจะได้เกิดปัญญาถ้ายัางจงใจรู้อยู่เนี่ยไม่ใช่สติตัวจริงแต่เป็นสิ่งที่เจืด้วยโลภะอย่างเราอยากปฏิบัต แล้วก็ลงมือปฏิบัติคือลงมือกําหนดไว้การกําหนดเป็นการกระทํากรรมเราทํากรรมอันนี้ขึ้นมาเพราะอยากปฏิบัติในอภิธรรมจะสอนชัดเลยว่ากิเลสเนี่ยเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรมหมายถึงกิเลสเนี่ยทำให้เกิดการกระทํากรรมก็จริงนะแต่เวลาเกิดเนี่ยเกิดร่วมกันนั้นเราพอเราอยากปฏิบัติแล้วเราลงมือเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าไปเนี่ยตลอดสายของการปฏิบัตินั้นเนี่ยโลภะได้แทรกตัวอยู่ จิตดวงนั้นจะเป็นอกุศลและจิตอัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าสติเกิดขึ้นเองไม่ได้เจตนาระลึ ก, ลลกขึ้นได้เองนะเราจะเห็นรูปเห็นนามเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่มีตัวเรานี่ทำไงสติจะเกิดขึ้นเองตัวนี้ต้องเรียนนะเรียนหลวงพ่อเขียนไว้ในปทิบสองธรรมในทางเอกอะไรนี้เขียนว้เยอะเลยเมื่อไรจิตจาสภาวะธรรมได้แม่นยำนะสติจะเกิดขึ้น เพราะทีระสัญญาหรือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นยำเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติแม้สติมีเหตุนะสติถึงจะเกิดเพราะสติเป็นอนัตตาไม่ใช่เราสั่งให้เกิดได้หลายคนคิดว่าเรากําหนดไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดไม่เกิดหรอกสติไม่ได้เกิดจากการกําหนดสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นเพราะงั้นเบื้องต้นเนี่ยเราหัดฝึกรู้สภาวะไปเราเคยเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเราก็ยกไป เราเคยดูท้องพองยุบเราก็ดูไปแต่ดูเพื่อให้เห็นสภาวะไม่ใช่ดูเพื่อให้จิตนิ่งไปแนบอยู่กับท้องกับลมหายใจกับเท้ากับมือไม่ใช่หัดดูให้เห็นสภาวะเช่นเราดูท้องพองยุบอยู่ไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอตัวที่พองที่ยุบนี่เป็นแค่รูปที่กําลังเคลื่อนไหวนี่เราเห็นสภาวะของรูปที่พองที่ยุบนะรูปมันเคลื่อนไหวหรือเราดูท้องพองยุบแล้วใจไหลแวบหนีไปคิดให้เรารู้ทันใจที่หนีไปคิดอย่าไปห้ามเขานะ ดูท้องพองยุบไปจิตของเราไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปที่ท้องแล้วดูท้องพองยุบอยู่จิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบมีปีติรู้ว่ามีปีติมีความสุขรู้ว่ามีความสุขดูท้องพองยุบไปแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือการหัดรู้สภาวะนั่นเองพอดูดูไปใจไหลแวบรู้สึกใจเข้าไปเพ่งรู้สึกรู้สึกเรื่อยเนี่ยตอนเนี้ใจแอบไปคิดทราบไหมใจไหลไปคิด แล้วก็แค่รู้ทันว่าใจไหลไปคิดเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเลอเบลอหายแว บ, บไปช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ทันอันนี้เนี่ยจิตเบิกบานขึ้นมานิดหนึ่งแล้วรู้สึกไหมเนี่ยเบิเบิกบานขึ้นมาเราก็รู้ว่าเบิกบานในที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราจะเป็นแค่คนดูตามรู้ตามดูไปเลยไม่เข้าไปแทรกแซงนะเราจะเห็นเลยความเบิกบานที่เกิดขึ้นก็ไม่มีตัวเราในนั้นความเบิกบานไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่นา ม, มาทําอย่างหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ร่างกายที่เห็นพองที่ยุบร่างกายที่เดินตรงกลมยกเท้ายั่งเท้าอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่รูปธรรมเท่านั้นเองนีตัวเราไม่มีจะรู้สึกนี้จะรู้สึกว่าตัวเราไม่มีถ้าทํำมิปัสนาถูกต้องนะจะเห็นว่าตัวเราไม่มีแต่ถ้าทําแล้วเป็นสมถนะเนี่ยจะนิ่งใจจะเข้าไปนิ่งๆิ่งทื่อๆอยู่อย่างนั้นเองไม่เกิดปัญญาหรอกสมถะไม่ใช่ช่องทางทําให้เกิดปัญญาเป็นช่องทางพักผ่อน เนี่ยตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมใจไหลไปคิดทราบไหมเนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมให้ใครรู้ทันนะไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้ใครรู้ทันออกไปเลยคุณผู้หญิงเนี่ยก็ใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมหันอย่างนี้รู้สึกไหมใจจะโล่งๆใจจะเบาๆใจจะไม่หนักๆเหมือนตอนไปกําหนดพองยุบนะงั้นสติที่เกิดนั้นมาใจจะเบา ใจจะนุ่มนวลรู้สึกไหมใจมันอ่อนโยนใจมันนุ่มนวลใจมันเบาใจมันคล่องแคล่วถ้าภาวนาแล้วใจหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆก็ไม่ใช่ของจริงหรอกคุณผู้ชายนี่บ้างตอนช่วงที่ไปตัดผมนี่จะทาความรู้สึกตัวตรงที่ว่ามันมันจะมีความรู้สึกว่ามันมันมันหลายมิติมันมาซ้อนๆกันหลหลายอย่าง นี่ถ้าตอนตอนตรง น, นั้นก็เลยลองหลับตาดูก็จะช่วย ก, ก็จะช่วยได้ก็รู้สึกตัวดีขึ้นก็คิดว่ามันมันมันน่าจะเป็นเพราะว่าเราปิดทวารอันนั้นหรือเปล่าใช่เราทำงานเหลือทวารใจอันเดียวนะงั้นเบื้องต้นจะทำอย่างนั้นก็ได้นะครับเบื้องต้นก็ปิดตาปิดหูไปก่อนแล้วก็ดูการทำงานของจิตใจไปดูความรู้สึกที่แปลกปลอมขึ้นในจิตใจคอยดูไปเรื่อย แต่ว่าเป็นการซ้อมหัดรู้สภาวะนั่นแหละต่อไปใจแอบไปคิดเราก็รู้ทันใจไปเพ่งก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นกุศลอกุศลก็รู้ทันไปเรื่อยๆแล้วมันจะมาสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เบื้องต้นก็หัดอันหนึ่งก่อนอย่างที่คุณหัดอย่างนั้นก็ได้หัดดูสภาวะไปนะแล้วสติมันจะเกิดขึ้นเนใจลอยไปแล้วทราบไหม หัดดูไปเรื่อยๆนะของสองสองสาวเนี่ยยังบังคับเยอะไปนิดหนึ่งครับน้ำปัศการหลวงพ่อครับก็กันบ้านจริงๆก็นึกไม่ออกว่าจะส่งอะไรไม่ค่อยมีแต่จะมีคำถามว่าเนื่องจากผมอายุค่อนข้างจะผมว่ามันเยอะนะครับห้าสิบกว่าห้าสี่ห้าสิบห้าผมก็เลยคิดว่า คนอายุมากนี่มันจะเรียนรู้ยากคือเรียนรู้ทั่วๆไปมันก็ยากอยู่แล้วงั้นการเรียนรู้ธรรมะมันจะยากด้วยใช่ไหมครับมันก็ยากนะนพระมหากัสปะออกบวชตอนอายุหกสิบครับเดี่ยหลวงพ่อแต่ก่อนแนละ้วโ้เราสี่สิบกว่า ย, ยังไม่ได้บวชนะชักไม่สบายใจนึกถึงพระมหากรสปะไว้มีตัวอย่างมาแล้ว ทีนี้มันมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอันหนึ่งว่าทําไมคนบางคนต้องมาเจอครูเมื่ออายุสักห้าสิบหกสิบทำไมคนบางคนมาเจอครูเมื่ออายุน้อยๆครับนะกรรมมันจัดสรรให้แหละนะครับบางทีครูบาอาจารย์อยู่สมัยก่อนครูบาอาจารย์เยอะนะหลายคนไม่สนใจที่จะเข้าไปศึกษาอย่างแถวสุรินทร์นี่ชัดเลย คนไม่สนใจหลวงปู่ดูลไม่รู้จักท่านนะหรือคนทั้งประเทศอ่ะไม่ค่อยรู้จักท่านอนะ่ะพะท่านไม่อยู่เราถึงจะรู้จักเนเสียโอกาสไปนี่บางครั้งมันไม่ใช่เวลาของเรากรรมยังไม่ลงตัว <c oughs> เช่นเวลานั้นเรามัวแต่ธรรมหากินอยู่ยังไม่มีเวลาสนใจธรรมะแต่ยังดีนะหลวงพ่อเพิ่งเล่าให้ญาติโยมฟัง บอกมีผู้ชายคนหนึง่งมาเรียนธรรมะที่หลวงพ่อนะแล้วก็บน่นผมนะมันเวณกรรมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมมาเรียนมาหลายสำนักแล้วนะอาจารย์ของผมประราชิกทุกสำนักเลย <c oughs> บอกเออไปไปให้พ้นนะ <c oughs> เว้นสำนักหลวงพ่อไม่ต้องมานะ <c oughs> แกก็ไล่ชื่อลุ้นแต่ดังๆทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> ก็จิตใจก็ เป็นอย่างนั้นเองอะ่ะจิตใจไม่ได้รักในธรรมะเท่าไหร่จิตใจเที่ยวแสวงหาอะไรที่มันโลดโผนไปเรื่อยๆทุกอย่างพอดีนะทุกอย่างมันจะพอดีมันจะพอเหมาะพอควรสมควรแก่กรรมที่ได้รับที่ทำไว้พอดีอย่างหลวงพ่อสนใจปฏิบัติตั้งแต่เจ็ดขวบชอบภาวนาจะไปฝึกอนาปนาสติกับท่านพ่หลี เรียนอยู่ 2, 2ปีทนะ่ไม่ได้ไปบ่อยนะนานๆไปทีหนึ่งพ่อพาไปถึงได้ไปอยู่2ปีท่านก็มรณภาพอนนี้ไม่มีอาจารย์ละหายใจของเราเองอยู่22ปีเนะีเคยได้ยินครูบาอาจารย์วัดป่าพูดถึงพุโทโธพิจรารณกายนะได้ยินแล้วมาลองพิจรารณกายนะไม่สนุกเลยรู้สึกคับแคบรู้สึกขับแค บ, บ, แบเหมือนเราเป็นปลาตัวโตๆนะไปอยู่ที่แคบรู้สึกอึอดอัด มาดูกายนะ่ดูผมไปผมสลายไปเห็นหนังหัวนะดูหนังศีษะทะลุเห็นหัวกระโหลกดูหัวกระโหลกแตกเปลี่ยงหายไปนะดูทั้งตัวแตกหมดเลยคราวนี้กลายเป็นความว่างๆไปไหนไม่เป็นแล้วเซ่อเซ่ออยู่แค่นั้นเองแล้วก็รู้สึกโอ้ดูกายทำไมมันจืดชืดนะมันดูนาทีเดียวมันหมดแล้วอะไรเงี้ยจนอายุทั้งยี่สิบเยังไปเจอหลวงปู่ดุลยี่ปดยบเก้า พอไปเจอได้ยินคำว่าดูจิตท่นสนใจตามรู้ตามดูทั้งวันเลยมันพอเหมาะพอควรพอสมควรแก่กรรมถูกขอบคุณครับโอ้แต่ใครไม่ได้เจอหลวงปู่ดูลและไม่ได้เรียนกับท่านนะขาดทุนนะหลวงพ่อไม่เคยเจอครูบาอาจารย์องค์ไหนเหมือนหลวงปู่ดูลเลย อย่างครูบาอาจารย์ทั่วไปเนี่ยเวลาเราไปเรียนกรรมาฐานด้วยนะท่านเคยทํามาแบบไหนท่านก็จะสอนแบบนั้นจะสอนเหมือนที่ท่านทําส่วนหลวงปู่ดูลไม่สอนอย่างนั้นเลยประหลาดมากเลยสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนเอาจริงเอาจังนะเข้าไปกราบท่านบอกจะขอปฏิบัติเนี่ยท่านไม่สอนนะท่านจะหลับตาเงียบเงียบสืบประวัติอยู่สักชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าพอลืมตาขึ้นมาสอนให้ประโยคเดียวถ้าไปทําอย่างอื่นไม่ได้ผลนะ ถ้าไปทำอย่างท่านบอกนะั้นถึงจะได้ผลเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่มียานทัศนะอย่างนี้เป็นยานทัศนะประหลาดอะไรของท่านก็ไม่รู้นะไม่เหมือนใครกระทั่งภาษาริบุตรท่านยังไม่มีตัวนี้เลยภาษาริบุตรบางทีไม่รู้จริตของลูกศิษย์ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็ น, นหนุ่มๆนะเป็นช่างทองท่านก็ให้พิจารณาอาสุภะ มันยังหนุ่มอยู่แล้วก็เป็นคนทํางานประณีตศิลป์น่าจะเป็นราคะจริตอะไรยเงี้ยแกดูอสุภาษะแล้วไม่ลงเลยเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าเอาดอกบัวให้ดอกหนึ่งให้ไปปักไว้บนทรายแล้วนั่งดูดอกบัวแดงๆสวยนั่งดูแล้วมีความสุขใช่ไมพอมีความสุขเกิดสมาธิใจตั้งมั่นใอใจตั้งมั่นไปเรื่อยๆเห็นดอกบัวนี้ก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงนะ มาดูไป น, นานๆโอ้มันของไม่เที่ยงนี่เห็นออกเป็นไตรลักษณ์แล้วย้อนมาดูตัวเองก็เป็นพระลรหันไปและครูบาอาจารย์ที่ยานทัศนะอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราไม่มีแล้วหลวงปู่ดูลไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าหรอกท่านสร้างบารมีเป็นพระปัจิเจตน่ะท่านก็เลิกละเลิกสักกลางทางแยานทัศนะของท่านจะเยอะ งั้นเวลาไปเรียนกับท่านนะท่านสอนอะไรแล้วเราทําตามนั้นนะง่ายเลยแต่ถ้าเราไม่เชื่อทําอย่างอื่นนะไม่ได้ผลดนะ้วยมีพระองค์นึงชื่อหลวงพ่อคืนเป็นคารวะเนี่ยไปเรียนเถอะหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลบอกท่านบอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวท่านนั้นบอกน้อยใจที่สุดเลยทําไมให้กรรมฐานเราเล็กนิดเดียว <laughs> ของคนอื่นนะให้ดูกายทั้งกายให้ดูจิตให้ดูเวทนาอะไรเงี้ยบางคนให้ดูโครงกระดูกนะบางคนให้ดูจิตไปเลยบางคนให้ทําสมาธิก่อนท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเือคนบอกเสียใจมีเชื่อหรอกสอนน้อยไปท่านก็ไปพิจารณากายได้ยินว่าเขาเผากายก็เผาบ้างนะเผาแล้วมันเกรีย ม, ๆ อ, ยมๆอะไรเงี้ยไม่ไหม้อะหรือทากรรมฐานดิ้นรนนะทำอยู่นานไม่ได้ผลอะไร เ็นวันหนึ่งท้อแท้ใจเต็มประดาแล้วไม่รู้จะทาอะไรนะในพิจารณาผมเส้นเดียวผมท่านเติดยาวนะผมท่านคารวาสสัผมผัส ด, ดูมันแข็งนะนี่มันธา ด, ดินมันมีสีสีดําสีขาวนี่มันกระสินสี น, นั่นเองพอใจท่านมาเพ่งเพ่งผมหนึ่งเส้นเพ่งกระสินนั่นแหละใจก็รวมเป็นสมาธิเลย รวมเป็นสมาธิแล้วเสร็จแล้วเดินปัญญาต่อนะดูจิตดูใจก็ไปได้ครูบาอาจารย์แบบนี้เราไม่มีนะหลวงพ่อก็ทําไม่ได้อย่างนี้ให้หลวงพ่อมานั่งสอบประวัติพวกเราก็ไม่ไหวสมัยหลวงปู่ดูลนะวันหนึ่งไม่ค่อยมีใครเข้าไปหาหรอกต้ <c oughs> มีเวลาสอบประวัติอันนี้มาวันหนึ่งหลายสิบคนใครจะสอบให้ไหวสันติบาลก็สอบไม่ทันนะ <c oughs> งานต้องค่อยช่วยตัวเองหน่ สังเกตไปสังเกตจิตใจของเราเองเป็นกรรมฐานที่ง่ายๆสําสหรับคนในเมืองจิงตใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสังเกตเอาบางคนก็สังเกตได้ว่าถ้าเรารู้กายแล้วสติเกิดบ่อยบางคนสังเกตเอาว่าถ้ารู้จิตแล้วสติเกิดบ่อยแต่ละค น, น, นไม่เหมือนกันคนไหนรู้กายแล้วสติเกิดบ่อยก็รู้กายไปแต่ต้องรู้ถูกต้องนะเกือบทั้งหมดไปเพ่งกาย เกือบร้อยละร้อยไปเพ่งกายไปเฉยๆที่ว่าดูท้องพองยุบยกเท้ายัาย่งเท้ารู้ลมหายใจขยับมือทำจังหวะอะไรนี่หรือรู้อิริยาบทสนะีเกือบทั้งหมดคือการเพ่งทำไมอยู่ๆพวกเราภาวนาแล้วมันกลายเป็นการเพ่งไปหมดเพราะพวกเราข้ามขั้นการศึกษาทางศาสน า, าพุทธไปหนึ่งขั้นบทเรียนในศาสน า, าพุทธมีสามบทนะชื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขา พวกเรามีศีลห้าแล้วก็เราจเจริญปัญญารู้กายยืนเดินนั่งนอนรู้ท้องฟองยุกด้วยอะไรกระโดดข้ามจิตตะศิษฐขาไปเพะั้นเราไม่รู้เลยว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตชนิดไหนใช้ทําสมถะจิตชนิดไหนใช้ทํำวิปัสสนาเราไม่รู้จักเราก็เอาจิตซึ่งเจือด้วยกิเลสเนี่ยแหละไปทำวิปัสสนาไปดูท้องฟองยุบไปอะไรต่ออะไรมันกลายเป็นการเพ่งไปทั้งหมดเลยมันไม่ใช่การรู้ นั้นเกือบทั้งหมดที่ปฏิบัติอยู่มันคือการเพ่งติดสมถะเกือบทั้งหมดเลยนะไม่ว่าสำนักใดนะแต่ทั้งพวกที่บอกดูจิต ด, ดูจิตนะอย่างสายโน้นะพวกที่ดูจิต ด, ดูจิตนะก็ไปเพ่งความว่างอดเพ่งไม่ได้หรอกมันกลายเป็นสมถะไปเกือบหมดหรือแต่ก่อนพวกเด็กในเน็ตนะไปภาวนาที่บุญญาวาสเยอะไปคุยอวดกับอาจารย์ตานบอกดูจิต ด, ดูจิต ท่้ก็เปลยๆมาบอกไม่เห็นมีพวกดูจิตเนี่ยมีแต่พวกเพ่งจิตนะมันมันเพ่งเอารู้ไม่ค่อยเป็นงั้นถ้าเราไปเพ่งเอามันก็ได้แต่ความสงบถ้าเรารู้เอาเราก็จะได้ปัญญากนลัอ้อาไปถึงไหนละอ้าวมิง้งว่างไงอเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็เพิ่งตั้งสัจจะว่าจะ สวมดมนต์ให้ได้วันละอย่างน้อยครั้งหนึ่งอะคะ่ะแล้วแต่ว่าก็มีผิดศัทธามาแล้วประมาณสามสองสาครั้งอาจจะสีค่ะที่อยากจะทราบว่าผิดศัทธานี่มันมีผลเสียอย่างไงบ้างค่ะก็จะทําให้ใจของเราเนี่ยไม่เด็ดเดี่ยวฝึกนิสัยหล่อแลกโลเลไปงั้นต้องเอาให้ได้นะตั้งศัจธาแล้วทําให้ได้แล้วมันมีเวลาที่สวดแล้วคือเหมือนคือมันก็สวดไปตามความเคยชินนะคะแล้วก็ใจก็ คิดอะไรไปเรื่อยเลยให้รู้ทันใจที่หนีไปคิดเลยคการที่สวดออกมาคือบางทีก็มีสงสัยว่าทําไมมันถึงยังสวดออกมาได้ทั้งที่ใจเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือเหมือนกับมันเคยชินแล้วอมันสวดด้วยไขสันหลังมันคือมันคือสัญญาหรือเปล่าคะหรือว่าสัอญะมีไหมมีไหมการหลงพ่อครับพอดีผมเพิ่งเริ่มต้นเข้ามา ฝึกปฏิบัตินะครับส่วนใหญ่ก็จะได้จากการอ่านออท่านี้จะขออนุญาตกราบเรียนฐานหลวงพ่อว่าถ้าเราฝึกควบคู่กันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยคื อ, ค, อคือบางตำราที่อ่านแล้วคือบอกมาความว่าบางบางตำราบอกว่าให้ให้ฝึกสมถะจนชำนาญก่อนแต่นี้ถ้าเกิดเราเราฝึกทั้งคู่เนี่ยไม่ทราบว่าจะคือเรากรรมฐานเนี่ยเราต้องดูกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองนะกรรมฐาน ทำไมบางคนทําสมถะก่อนแล้วมาเจริญปัญญาทีหลังบางคนเจริญปัญญาก่อนสมาธิเกิดทีหลังมันก็การปฏิบัติมีสองสายสองแนวทางอห น, นึ่งใช้สมาธินําปัญญาหนึ่งปัญญานําสมาธิแต่สองแนวทางนี้ไม่ใช่ให้เราเลือกตามยถากรรมเราต้องเลือกให้เหมาะกับจริตนิสัยของเราให้เราวัดใจของเราก่อนใจของเราเนี่ยเป็นพวกโลภมากหรือเป็นพวกคิดมากอะไรเด่นกว่ากัน ปกติจะเป็นส่วนผสมทั้งลบมากทั้งคิดมากแต่เราต้องดูว่านิสัยใจคอของเรามันเด่ดนในด้านไหนอย่างไม่เนี่ยมันรักแต่ของสวยๆงามๆนะเห็นสาวเห็นอะไรย่งี้ไม่ได้นะกระดีกระดานิสัยอย่างเนี้ยมันเรียกว่าพวกตันหาจริตพวกอย่างนี้ต้องดูกายแล้วการจะดูกายได้ดีต้องทําสมาธิก่อนอันนี้นะที่ทำต้องทําสมาธิก่อนอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ย จะทำสมาธิกันก่อนนะทำกันเป็นปีๆเลยหลายปีเลยบางองค์จนกระทั่งใจนี้ตั้งมั่นเด่นดวงเป็นตัวผู้รู้ผู้ดูแลนะี่ก็น้อมใจที่สงบตั้งมั่นแล้วนี่มีกําลังแล้วนี่มารู้กายนะจะเห็นทันทีเลยกายไม่ใช่ตัวเรานะกระจายออกไปแยกแยะออกไปดังนะนั้นการรู้กายหรือการรู้เวทนาเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฉานนะกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับพวกตันหาจริตพวกรักสุขรักสบาย เพาถ้ามาดูกายดูเวทนาจะเห็นเลยกายและเวทนามันไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามหรอกมันเป็นทุกข์มันเป็นปฏิกูลดเปนอาสุภาษอะไรเงี้ยแล้วมันดัดนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอีกพวกหนึ่งพวกคิดมากพวกคิดมากให้ดูจิตเอาการดูจิตเนี่ยให้ดูเข้าไปเลยอย่าไปทําฌานก่อนเพราะถ้าทําฌานก่อนมันจะไม่มีจิตบางอย่างให้ดูนะอย่างจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะถ้าเราทําฌานก่อนก็ไม่มีจิตที่มีราคานะ มีแต่จิตที่สงบไม่มีกิเลสหรือจิตฟุ้งซ่านให้รัว่วฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราทําฌานก่อนก็ไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูนี่คนที่คิดมากเนี่ยโดยปกติคนคิดมากนะทำสมาธิมไม่ลงหรอกใจมันฟุ้งซ่านทําสมถะยังไงใจก็ไม่ค่อยสงบเพราะงั้นไม่ค่อยมีทางเลือกที่จะไปรู้กายเนี่ยทำยากเวลาให้ไปรู้กายนะั้นจะไปเพ่งใส่กายแล้วก็ทื่ๆอยู่ที่กายเงั้นส่วนใหญ่ที่พวกเราทุกวันนี้ทําก็เป็นแบบเนี้ย ใจเรา ไ, ไม่ได้เหมาะกับการดูกายแต่เราเป็นพวกคิดมากแล้วเราก็ทำฌานไม่ได้เพราะใจมันคิดมากมันก็ฟุง้งซ่านไม่ยอมสงบเราก็พยายามไปดูกายมันเลยกลายเป็นการเพ่งกายนิ่งๆอยู่นั่นนะเพ่งไปเรื่อยเพราะงั้นถ้าเราหักเราเป็นพวกคิดมากนะให้เราดูใจของเราที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอเราดูไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูนะสมาธิมันจะเกิดขึ้นมา เวลาที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยทุกคนต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาไม่ไม่หลุดพ้นด้วยอันใดอันหนึ่งหรอกเมื่อทุกคนเวลาเข้าถึงธรรมะนะท่านบอกว่าเข้าถึงความหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติอันไม่กำเริบกลับเวลาบรรลุบรรลุ ด, ด้วยสองอั น, นทั้งปัญญาทั้งเจโตเจโตหมายถึงสมถะนั่นเองต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาจุดเริ่มต้นจะเอาอะไรก่อนเท่านะี้ต่อตามนิสัย ถ้านิสัยคิดมากทำสมรถาถิไม่ลงหรอกทำสมรถาถิไม่ได้ไม่มีแรงพอที่จะไปรู้รูปก็ให้ดูใจไปจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบนะจิตใจเป็นยังไง ร, ไรู้ไปเรื่อยพอรู้ไปรู้ไปนี่จิตจะค่อยสงบเองของคุณลองไปดูสินะว่าจริตนิสัยเป็นยังไงแล้วเลือกเอาอย่าไปเลือกเอาตามใจชอบนะไม่ใช่ว่าชอบอาจารย์ดูจิตเราก็จะดูจิต ชอบอจาจารย์ดูกายเราก็จะดูกายคือเราคล้ายๆเราไปซื้อเสื้อผ้านะเราต้องเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับตัวเราเองไม่ใช่ไปซื้อเสื้อมา ก, ก่อนแล้วชอบตัวนี้สวยดีซื้อมาแล้วมันตัวเล็กไปก็ไปอดข้าวนะให้ตัวเล็กตามเสื้อหรือว่ามันใหญ่ไปก็ไปกินข้าวให้มันตัวโตตามเสื้อไม่ถูกนะเราต้องเลือกกรรมาฐานให้เหมาะกับจริตของเราไม่ใช่เลือกเพราะว่าเราชอบอจาจารย์นี่เราชอบ อย่างหลวงพู ด, ดูลนไม่มีสายไหนสายไหนเลยนะหลวงพู ด, ดูลสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันมีทุกสายเลยสอนดูกายก็มีดูจิตก็มีนะสอนสมถียานิกก็มีทาฌานก่อนสอนวิปัสสนาญาณิกก็มีท่ า, านส อ, อ, อนตามจริตของลูกศิษย์เดีท่านบอกมาอันหนึ่งนะท่านบอกอันหนึ่งบอกว่าต่อไปเนี่ยบอกเมื่อปี2 6บอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นเราฟังเราไม่เชื่อนะ จะรุ่งเรืองได้ไงรุ่งริ่งมากกว่าเพราไปที่ไหนมีแต่คนดูกายไม่มีคนดูจิตเลยพูดถึงการดูจิตนี่แทบจะหัวเราะเลยบางคนมาถึงวันนี้การดูจิตรุ่งเรืองในเมืองจริงๆไม่ใช่ว่าอาศัศ จ, จรรย์อะไรนักหนาดอกถ้ามองในแง่ของเหตุของผลเนี่ยการดูจิตเนี่ยมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากมันเหมาะกับคนเมืองนั่นเองสังคมของเราเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมเมืองแนละ้ว คนทุกวันนี้ทำมาหากินด้วยการคิดรู้สึกไหยเราไม่ค่อยได้ใช้แรงงานนะเราทำมาหากินด้วยการคิดเอาคิดเอาคิดเอาใจเราคุ้นกับการคิดนั้นมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากอยู่แล้วอันดูจิตพอมาถึงนี้พวกดูจิตนะจะเยอะนะเดี๋ยวนี้ใครไม่ดูจิตค่อนข้างล้าสมัยกลายเป็นแฟชั่นไปแล้ววันนี้ได้แค่นี้นะโยม เชิญโยมกลับบ้านก่อหลวงพ่อคุยกับพระ